ยาีเรื่องทุนที่ไม่มีวันหมดหลวงพ่อชาเป็นอยู่อย่างมากน้อยสันโดษมากกุฏิของท่าน แทบจะโล่งเพราะมีแต่เตียงนอนและของใช้ที่จำเป็นเช่นกระถนไม่มีของใช้ฟุ้งเฟืยเลยส่วนวัตถุสิ่งของต่างๆที่ญาติโยมนำมาถวายอยู่เสมอนั้นท่านก็ส่งต่อไปให้ลูกศิษย์ตามวัดสาขาต่างๆหมดท่านไม่เคยมีบัญชีเงินฝากส่วนตัวปัจจัยหรือเงินทำบุญที่โยมถวายนั้น ท่านก็ให้เป็นของกลางหมดเราพอกินพออยู่แล้วจะมากอะไรทำไมนะ่ะกินข้าวมื้อเดียวท่านเคยพูดให้ฟังบ่อยครั้งที่โยมตัดพ้อว่าเพราะได้ปะวารณาถวายปัจจัยไว้ให้ท่านใช้ในกิจส่วนตัวแต่หลวงพ่อ ไม่เคยเรียกใช้สักทีท่านเคยปรารลกับลูกศิษย์ว่ายิงเขามาปาวาราณาแล้วผมยิงกลัวคราวหนึ่งมีผู้เอารถไปถวายหลวงพ่อรบร้าให้หลวงพ่อรับให้ได้โดยขับมาจอดไว้หลังกุฏิท่านแล้วเอากุญแจใส่ยย่ามท่านไว้แต่ปรากฏว่า หลวงพ่อไม่เคยดูรถคันนั้นเลยพอออกจากกุฏิท่านจะเดินไปทางอื่นจะไปในเมืองท่านก็ขึ้นรถคันอื่นหลังจากนั้นเจ็ดวันท่านก็เรียกโยมคนหนึ่งมาหาแล้วบอกว่าไปบอกเขาเอารถกลับคืนไปนะเอามาถวายคอยคอยก็รับไปแล้ว ได้บุญแล้วเดี๋ยวนี้คอยจะส่งคืนมันไม่ใช่ของพระอีกครั้งหนึ่งหลวงพ่อจะไปวัดถ้ำแสงเพชรลูกศิษย์ที่มีรถส่วนตัวคันงามยี่ห้อดังต่างก็แย่งกันนิมนต์ให้ท่านขึ้นรถของตนที่จอดเรียงรายอยู่ที่ลานวัดให้ได้หลวงพ่อกว่าตาดูสักครู่ ก็ชี้มือไปที่รถเก่าโบโรทั้งคันหนึ่งพร้อมกับพูดว่าเออไปคันนั้นเจ้าของได้ยินเช่นนั้นก็ดีใจสุดขีดรีเปิดประตูนิมนต์ให้หลวงพ่อนั่งว่ากันว่าการเดินทางวันนั้นใช้เวลานานกว่าปกติเพราะขบวนรถคันงามความเร็วสูง ต้องค่อยๆขับตามหลังรถกรโกโรโกโซไปโดยดุษณียภาพ